ชาติถูกใจน้ำพริกปลาทูของคู่คนไทยทุกเพศทุกวยัยกินได้ทุกคนคนกินข้าวแกงไม่แบ่งวันนาไม่ว่าคุณจะมัง่งมีหรือจนกินหม้อเดียวกันสัมพันธมวลชนต่างบ้านตำบลทุกคนอู่พันจะกินอะไรเลือกตามใจชอบคณะมุกกรอบ พโลแกงหมูเทพโมเจิญชิมลิ้มลองลองนี่สักคำสิยำปูดองกินแล้วรับรองจะต้องติดใจต้มยำปราชนต้มยำไก่บ้านนี่ผัดเปรี้ยวหวานนั่นต้มจับชายปลาดุผัดเผ็ดรสเด็ดถึงใจมาระผัดไข่กินได้เป็นยายังอีกมากมายแกงไก่แกงเนื้อและผัด 为